เอาไรฟังการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้ากันแรกธราทมจักกบฏตระหนักรูรเหมือนกับพวกเราในเรื่องเรือขับนะ้ด้ามหลายตันเพื่อข้ามฝากเรือใหญ่ ไม่ยินดีเฉพาะพันจวิาขี่น <c oughs> อกจากเราที่ฝังก็ยินดีไปด้วยน่าเป็นอย่างนี้ความเทศขวางจริงเป็นอย่างนี้ <c oughs> นี่คือองศาสดาที่แสดงในเรื่องการตัดจรูดที่ได้เกิดเป็นผู้เช้าขึ้นมา ไม่ใช่ลมหลบ แ, แรงทขี้ลงไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวเราทุกชีวิตนี้เมื่อก็บาเรามีทุนแล้วมีโจทย์แล้ ว, ไ, ล ว, ไ, ลวไปจำเลยแล้วเราก็จะต้อง ไม่ยอมมันเราก็บาเริ่มต้นตั้งต้นอ่ากที่ไหนที่ได้มีได้เกิดการแสดงธรรมอย่างนี้ตั้งต้นมาจากไหนนี่สำคัญไอ้เช่าเราจะยินดี กับธรรมเทสนาของพระเจ้าหรืศรัทธาเฉยๆเมื่อมีศรัทธาก็ต้องมีความเพียรเกิดขึ้นเราก็มีสิ่งที่ต้องมีงานทำมีงานทำอยู่ <c oughs> มีความหลงนั่นแหละงานของเราอล้วมีความ <c oughs> ทุกข <c oughs> ์นั่นแหละคืองานของเรามีอารมณ์ที่มันงอนเลื่องอยู่ในชีวิตจิตใจเราอารมณ์ปฏิตัง้งแห่งความหลง อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอารมณ์เปิที่ตั้งแห่งความโกรธอารมณ์ป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์มีทุกข์ชีวิตัเป็นเรื่องที่เราต้องสอะสาง แล้วเคยรับใช่มาเมื่ออารมณ์เหล่าน <all> ี้เกิดขึ้นอารมณ์ไปที่ตั้งแห่งความหลงแล้วก็หลงอารมณ์ที่ตั้งแห่งความกําหนัดเราเกิดความกําหนัดอารมณ์ปที่ตั้งแห่งความพอใจแล้วก็ทมตามความพอใจอารมณ์ไปที่ตั้งแห่งความโกรธ แล้วก็ทำตามความโกรธเป็นอยู่เช่นนั้นถ้าเรามาดูนี <c oughs> มันเป็นภัยต่อเราจริงจริงเป็นทุกข์เป็นโทษจริงจริงจนถึงกระดาเป็นตัวเป็นตนเข้าไปกับอารมณ์ เป็นสเป็นทุกข์ความภาพภาพกาของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เป็นทุกข์แล้วก็ต่อไปที่สุดคือเป็นทุกข์มีกายเพื่อรับใช้ความสุขควาทุกข์ ไม่จิตใจเพื่อเราใช้ความสุขความทุกข์แตก็แพ้ทุกทีเลยก็แพ้ความทุกข์ทุกทีเป็นทุกทุกทีถ้าอารมพ์ปตั้งแข็งวามหนัดก็เกิดความกำนัดทุกทีอามณ์ปตั้งความมมัก็มมทุกทีคิดแล้วคิดอีกย่ำคิดย่ำหลงอยู่เช่นนั้นแพ้ทุกที เราจึงต้องได้หลักได้ฟังธรรมเทศนาที่พระเจ้าจแสดงทำให้เราได้มั่นใจมาดูมาศึกษามันดูมันคืออะไรแล้วก็มีสูตรทุกมันเกิดมาจากไหน เราจะต้องแพ้มันหรือมีตัวมีตนในความทุกข์หรือไม่ีตัวมีตนในความสุขหรือมีตัวมีตนในความกำหนัดหรือมีตัวมีตนในความงโมหรือถ้าเราไม่ชนะตัวนี้มันก็จะต้องแพ้เรื่อยไปจนถึงเกิดเกิดเจบเจ็บตายเรามมีสิตใในหลัก กรรมฐานที่เจ้าได้จัดสรูปมันจะเห็นอะไรเห็นม่นเกิดกับกายกับใจเรานี่เห็นกับทุกคนมีความรู้ก็เห็นความรู้สัมผัสความรู้มีความหลงก็เห็นความหลงสัมผัสความหลงการสัมผัสแบบสติมันสัมผัสแบบต <c oughs> ักท่วงตวดโส ไม่ใช่สัมรับแบบคนใ บ, คนบ้คนบ้าก็มีสติไม่ใช่เป็นใบ้เป็นบ้าเหมือนเป็นคนจนทา น, เ ป, นเป็นคนเป็นคนกระเทยใช่ไหมเกระเทยกระเทยมันไปสุดตรง ลักกลักสุดตรงถ้าโ ก, ก้ก็โก้สุดตรงรุนแรงพว <c oughs> กกระเทยไม่รู้จักฝั่งไสฝั่งขวบไม่รู้จักฝังโลดฝังนี้พวกนี้ไม่มีทางที่บรรลุธรมษษษรมพวกสัตโดยระชาน งโง่ก็โงู่่เห็นนั่นไม่พัฒนามนุษย์傻ด้รั้ฉาโนม่มนุษย์าเปโตมนุษย์ต้องเป็นมนุษย์ขึ้นมาเห็นจริงเราเองเราเรามันเป็นกระเทยในขณะที่มันหลงมันถ้าเราได้มีสติสัมผัสมันก็รู้จักเลือกได้ มันก็มีคู่กันอยู่มีเพราวะว่าที่ลูกอยู่เป็นสิ่งที่โชว์แม่พุทธองค์ก็แสดงความโชว์ให้แล้วพอทุกเป็นสิ่งที่ก็นหนดลู้ลู้ได้แล้วจงกรไทยเป็นสี่ต้องละละได้แล้วนิโรธเป็นสิ่งต้องทาให้แจ้งวิเสติวิธีทำให้แจ้งทำอย่างไร สัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาพกุจอชอบสัมมากรรมันโตทำกันงานชอบสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวาจโมความภาพเห็นชอบสัมมาสติความเลึอกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจชอบ จักกูก็จะเกิดขึ้นบรญญาเกิดขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้นพิชฌาเกิดขึ้นอะไรเทอมชอบอะไรตำเนินอยู่นี่โชว์เรื่องที่ทำให้เกิดที่โลดทำให้แจ้งเป็นวิธีปฏิบตัตินี่คือเราไม่จนเป็นชีวิตที่ไม่จนนีอะไรเครื่องมือเยอะแยะ โดยภาพปฏิบัติโดยภาพปฏิบัติเงไม่เนิ่นช้าเหมือนกับเราฟังพระสูตรมาอยู่ด้วยกันตรงกันข้ามทุกอย่างมีคู่พรเจ้าแสดงธรรมประเทศสนาปกดปัญจวัคคีกนทานญาเน ดวงตาเห็นธรรมในที่แสดงธรรมจบพู้เจ้าูุทานว่าจิงใดจิงเหนือเกิดขึ้นเป็นธรรมดาจิงนั่นต้องมีความดับไปเป็นธรรมดาในความหลงในความทุกข์ที่มันมีปัญหาย่อมมีปัญญาคู่กันอยู่ไม่ใช่ตัวใช่ตน มันไม่เทีย่ยงมันไปนทุกเศมกมันลงไปรู้มันลงไปสติมันเป็นการปลุกเศกให้มันเหลือแต่ศูนย์ไม่มีค่าเมื่อเราเศกอาหารเศกเครื่องนุ่งหม่มเศกที่วใสปก์เศกยารักษาโรคเพื่ออะไร เพื่อไม่มีตัวเหมือนตนไม่ใช่เพื่ตัวเราสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกากับใจนี่ให้เหลือศูนได้ทุกอย่างในหลักปฏิบัติเหมือนขินศาสตร์มันฟ้องรอมหลงรอมไม่หลงไม่หลงตัวจบปอ ความทุกข์ความไม่ทุกข์ควาโกรธความไม่โกรธความเกิดความไม่เกิดความแจ็ความไม่แจ็ความเจ็บความไม่เจ็บความตายความไม่ตายมองเป็นกระเสไว้ผู้เจริญสติย่อมเห็นกระแสแห่งพระในบาลตรงกันพอดีถ้าไม่มีสติมองไม่เห็น ถ้ามีทุกข์ถ้ามีผิดก็เห็นถูกถ้าเป็นคนใบ้ไม่ไม่เห็นอะไรก้มตืมน้ำก้นกินน้ำในคองสุขขาในคองเทศบาลได้ทำอะไรก็ทำได้อนั่นมันไม่ไ ม, มีมันเป็นใบ้เป็นบ้าเราไม่ใช่เป็นใบ้เราอยู่หัวโล่เราโล่งห้ย เราเสียใจเราดีใจเราไม่สุขเราไม่ทุกข์ีคนไม่เป็นใบ้แต่คนเป็นใบ้ไม่เข้าไม่รู้จากเรื่องนี้น่าจะน่าจะได้ทุนเพียงพอในการศึกษาธรรมะ น, นี่การประกอบอาชีพเราจนเราจึงมั่งมีเราผิดรพลาดเราจึงฉลาด การใช้ชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตบ้างการศึกษาก็สําเร็จบ้างการศิลปวิชาอะไรก็สําเร็จบ้า ง, าาางนี่การศึกษาชีวิตของเราเนี่ยมันอาจจะง่ายกว่านั้นมันเป็นกานสัมผัสความเท็จความจริงเข้าไป ไม่มีวัตถุที่หนึง่งที่สองเพียงพอการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยตัวกายดูกิตเนี่ยกายก็มีจริงๆมันแช่ไหนเพียงไหลกับกายจิตที่มันคิดที่มันสุขมันทุกข์ไปให้สุขให้ทุกข์เพราะความคิดแค่ไหนเพียงไหลถ้า ม, มีสติมั่นใจไม่ยอมจนทะลุดทะลวงได้ เปิดไอ้เหมือนกุญแจอดอกอกไม่จนชกเรื่องอันที่เกิดขึ้นกับลายกับใจนี่อาศัยกรรมาฐานเป็นที่เกาะที่ตั้งนั้นเรามีที่ยืนมีแผ่นดินเดินไม่ได้เดินบรอากาศได้เหยียบดินได้เดินก็มั่นใจ จะวิ่งก็มั่นใจจะนอนก็มั่นใจจะยืนก็มั่นใจมีแผ่นดินกรรมาฐานมีที่ตั้งแล้วก็มั่นใจตั้งไว้ที่นี่กูเขีนเข้าเหยียดเขียนออกมั่นใจกูเฉีนเข้ารู้จริงๆเป็นกายจริงๆในความรู้เป็นปญญาธาตุคือความรู้จริงๆไม่ได้ไปไหน ไม่เหมือนไปแล้ว ก, กลับมาตั้งมาที่นี่ก็ตั้งไว้ได้ทันทีเขียวขึ้นหมาทันทีมั่นขึ้นหมาทันทีมืนอเราใชไปเหยียบพื้นดินจับไม่จับเหล่าแล้วก็แล้วก็ไม่พลาดได้การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมั่นใจนะมั่นใจกว่าทำจริงเลยทั้งหมดเลยบางทีเขาขบช่างคํมาม่ า, าก็ยังมั่นใจ เ, เขาขับรถขับเครื่องบินเขาบ้านใจนี่มันกว่าเป็นของภายนอกไม่หนึ่งไปชื่อกระเบื้องที่ฉละบุรีเต็มคันรถแล้วบสิบตันวิ่งขึ้นเขาแล้วก็ก็ ถามคนขบับคุรมั่นใจหรือมั่นใจเราจังยิง้มแบบลดขึ้นเขาเปลี่ยนขึ้น ไ, ไปเปลีย น, นไปถ้าว่ารถมันขึ้นมาได้มันถอยหลังก็มีหวังมีหวังตายเขาบอกว่าของมั่นใจมั่นใจรถเขามั่นใจเครื่องเขามั่นใจวิชาการที่เขาใช้รถ ก็สําเร็จขึ้นเขาได้นี่เรามีการมีใจอยู่ที่นี่ความหลงก็เห็นอยู่จริงๆความทุกข์เห็นอยู่จริงๆมั่นใจในความหลงคือไม่ถูกต้องแน่นอนมั่นใจในความไม่หลงถูกต้องแน่นอนง่ายๆน่าจะยิ้มเวลาใดบรหลงน่าจเป็นการอมยิ้มถ้ามีสติ เดละใดมันทุกข์น่าจะมีการอมยิ้มได้เดระใดมันไม่ฉิเลยัญหาน่าจะมีการอมยิ้มไว้อารมณ์ปฏิตั้งความกาหนัดเกิดขึ้นน่าจะยิ้มได้มันเป็นอคเหตุเป็นปัจจัยอยู่มันมีอริสระอยู่มีเหตุมีปัจจัย อย่งไดจึงเกิดขึ้นจึงนั่นก็ดับไปเป็นน้ำบาไม่ใช่ตัวใช่ต น, เ, นเยอะแยะน้าเราเพื่อก ร, รมาฐานก็ไม่ต้องนั่นชาเพียงแต่มันคิดไปหลงไปกลับมารู้จักตัวกลับมารู้จักตัวกลับมารู้จักตัวร้อยข้างันนทีใดทีนั้นจนชันี้ชำนานเป็นเรื่องก่อเจตนา กู้ฉันเข้าเดียร์ฉันออกมีสติต้อมาจำนานแล้วมาได้กู่ฉันเข้ามาได้กู่ฉันออกมันมีแต่สติมันไม่แด่รูปสิบตัวเอาไว้ที่รูปสิบตัวมันทั้งสลัดคืนตั้งปลอยตั้งไม่ต้อนรับตั้งไม่มีที่อาศัยอยู่ในนั่นแล้วถ้ามีสติ มันเป็นทุกอย่างมันเป็นการรับความชั่วมันเป็นการทำความดีมันเป็นทําให้จิตปดจดแต่ต้องตัวจะถึงที่เหมืนเป็นอย่างนั้นคือทํามันเป็นน่ะมันเป็นการปลดจากการบทฝึกหัดบทฝึกหัดก็ต้องทํ า, า ว, ชาวิชากรรมฐานโค้ชันเข้าเยียชั่นดอก เดินกายในกายเป็นประจำกายจักรวาลกายไม่ใช่จัตุปคลตัวตนเราเขาทางที่เราชนะมีมนอย่างนี้ล้วเรื่องที่เกิดกับกายมาเป็นตัวเป็นตนมีตนในกายหลายพบหลายชาติร่างกายที่เป็นลูกเป็นน้าเนี่ยเป็นธาตุสีขัดธาตเฉย แต่สบายชาติแต่กายในกายที่มันเป็นออกมาเป็นจุกเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นชาตินั่นเป็นศัตร ว, ว่าไม่ใช่จดบุคคลตัวตนโราเขาแต่นั้นหรือว่ากายในกายทีใดทีนั้นเจ็กลงไปกลับมาหาความรู้จึกตัวมองแป๊บไปก็เห็นเท่านั้นมองพลาด ตามันคมตาสติมองไปแป๊บเดียวมันจบแล้วตาในไม่เหมือนตาเนื้อตาเนื้อต้องสวมแว่นต้องดูดูนานก็ไม่ได้จากพิบตาตาในมันคมดวงตาใดไม่เป็นดวงตาเห็นธรรมเห็นกายสัป้ากายกายในกาย เวทนาในเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์อย่าไม่ตัวไม่ตนอยู่ในนนินมามีสติสติเป็นการโคมกำเนิดของตัวตนเป็นการคุมกำเนิดของภพชาติภพชาติที่เกิดจากเวทนาภพชาติที่เกิดจากกายภพชาติที่เกิดจากจิตใจที่มันคิดสติจะเป็นการคุมกำเนิดภพชาตินี้ตั้ง ลู่ต้องเลาะทำให้แจ้งและวิธีปฏิบัติครบถ้วนอยู่แล้วในกรรมาฐานถ้ามีสติเป็นแม่เป็นมันดาของธรรมทั้งหลายไม่ต้องกลวงัวก็พลิกมือขึ้นลู่สึกตัวยกมือขึ้นลู่สึกตัวหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวเป็นแสดงว่าเรามี อ <c oughs> นุสมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติแน่นอนอย่าปล่อยตรงนี้อย่าหลุดไปตรงนี้ให้มั่นใจถ้าหลุดก็เสียเวลาสุขเป็นสุขหลุดไปเสียแล้วทุกเป็นทุกหลุดไปเสียแล้วหลงเป็นหลงหลุดไปเสียแล้ว หลงทุดใดสุกทุใดรู้ทุยในคี่นั่นทุกตีนี่ไม่หลุดไม่หลงแน่นขึ้นอย่างลากมากขึ้นเหมือนตอน้นไม้ลงดินปักดินไว้มันก็ออกลากออกลากก็เจริญเติบโตเปิดด อ, อกออกผลต่อตีมันต้องอยู่ในกายอยู่ในจิตใจ มีกายมีใจมีรูปมีหนังอนี้ให้มันแน่นลงไปอย่างล่างลงไปที่สุดก็มีจิติต้องั้ต้นก็จติท่ากลางก็สติที่จุดก็สติไปเรื่อยจนจบจนจ บ, จนจบสติผ่านเรื่องที่เกิดกับกายสติผ่านเรื่องเกิดจากจิตใจจนจบนั้นจบได้ เห็นหมดเห็นเขาเปลี่นทวนถ้าเรามีสติจะเห็นอะไรต่างๆอย่าเล่นลักอย่าตัดขาดสร้างสะพานไปเรื่อยๆมันมีอะไรมากมายนี่ทุกขไม่ทุกข์เชื่อนเราผิดสติ เห็นมันถูกเอาทีสติเห็นอยาให้ผิดเป็นผิดอยายให้ถูกเป็นถูกอยาให้สุขเป็นสุขอยากให้ทุกข์เป็นทุกข์จะ ม, มีสติเรื่อยไปถุกก็เห็นทุกข์ก็เห็นผิดก็เห็นถูกก็เห็นง่ยายก็เห็นยากก็เห็นมันจะมีพลังเหมือนกับ แรงถ่วงเหมือนกับรถที่วิ่งมันก็นมีแรงถ้ารถจอดออกใไบป ไ, ปไม่ค่อยมีแรงเหมือนโลนวนหลบลุกขึ้นใหม่อาจจะวิ่งเวียนๆยังไม่สมบูรณ์แบบถ้าได้ออกตัวหม้วก็ไปได้สติมันออกตัวไปจากกาย จากเวทนาจากความคิดจากธรรมมีกำลังเยอะแยะนี่เป็นหลักสูตรที่ก่อเกิดแห่งสติให้ฝึกสติให้มันลงสนามสามสี่สนามนี่ป่านดานผ่าน้วยทีตายก็เป็นจิงขวงกันให้หลงเป็นตัวเป็นตนผ่านได้เวทนาสุขทุกข์ก็ทาให้หลงเป็นตัวเป็นตนผ่านได้ อารมณ์ที่เกิดจากความคิดที่เป็นตัวเป็นตนก็ผ่านได้จนถึงกับธรรมที่เป็นหน้อยหน่อยหยงธรรมทั้งหน่อยทั้งหน่อยไอ้ธรรมปฏิบัติโง่สุก็เป็นธรรมความทุกข์ก็เป็นธรรมกุศลก็เป็นธรรมอกุศลก็เป็นธรรมความสงบก็เป็นธรรมคือฟังชั่นก็เป็นธรรม มเมื่อเงาหอนอนก็เป็นธรรมไมหลงมาทั้งเงินบางทีมันก็จะติดสุกได้อย่าไปติดเงินบางทีมันติดสงบก็อย่าไปติดเงินติดปิติก็อย่าไปติดนัินอิ่มอกอิ่มใจไม่หลงมาชักจา่งว่าทำตอนสุดท้ายคือธรรมไม่ควรไปเหยียดออนอย่าหลง เกิดไหมตัวสุดท้ายองค์มรรคองค์สุดท้ายสัมมาสมาธิมีลายที่มันเกิดตอนสุดท้ายเหมือนสัญญาสีบุคคลกินมอดกของเก่าตนสัญญาสีเหมือนพ่อแม่เลี้ยงลูกลูกเป็นคนดี ก น, นดีมีเถอนะก็อาจจะเลี่ยงดูพ่อแม่อย่างมีความสุขพ่อแม่อาจจะฝากชีวิตท่องให้ฉันไว้กับลูกกับเต้าเอาความสุขไปห้องให้ฉกับลูกบางทีก็ถ้ามีสุขก็ห่องให้ฉนไว้กับลูกลูกเป็นกนดีอาจจะรักลูกมากอาจจะเสียใจเมื่อก็ได้ในความรัก ลูกเป็นกนชั่วก็อาจจะไม่ค่อยรักแต่อาจจะไม่ไปทุกข์มากถ้าก็บลูกเป็นคนดีก็ได้เพราะนั้นอย่าไปหลงทุกขก็อย่าไปหลงทุกข์ก็อย่าไปหล ง, วงรวมลูกที่มันเกิดจากวิตกวิจารมไปดีสุขเอกขตาอุเบกขาก็ อ, อย่าไปหลง ไอ้สุวางไปวางไปวางไปนั่นออกมาของสุดท้ายที่สุดก็เละสุกทั้งสุกเละทั้งทุกมีสติเราพรเจ้ากว่านี้ผ่านที่ตรงนี้จบที่ตรงนี้ไม่มีเลยกักขังได้งั้นอยู่ที่ไหนจึงเหล่านี้บางทีเราจะผ่าน ชัโมงลหลายครั้งก็ได้มันมาให้เราได้สอบผ่านให้เราจชำนิชำนานปฏิปทา ม, มันไม่ฟรีให้เหมือนเหมือนกับมันไม่กระดุกกระดิกแต่มันชิดมากลราดิ้งดีมีสุขมีทุกข์มากอะไรมันดีนี้ความหลงหลักยิงดีอะไรที่มันเกิดจากกาจากใจ จะเป็นงานของเรามีสติเท่านั้นอะไรมาหลงที่สติเนี่ว่างงานมันจบลงชื่อนี้หลงคือควงมรู้จบแล้วควงหลงสุขคือควงรู้ของสุขจบลงไปแล้วควาทุกข์คืวงมรู้ควาทุกข์จบลงไปแล้วความรักความฉังคือความรู้เฉลต์ตนาคือควงมรู้จบลงไปแล้วจบลงไปแล้วลงที่ตรงนี้ที่ลงตรงนี้ ที่สุดก็ตรงนี้แผ่นดินสุดตรงนี้ลู่จุกตัวลู่จุกตัวรู่ตัวเรื่อยไปอไปถึงที่สุดแล้วมันอาจจะลู่วนกับลู่โลกหลังพระเเรียบบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งลู่โลกลูทวนโลกลู่ล ก, โล ก, โ, ลกโลกที่หนึ่งอาจจะไม่เรียบร้อยโลบที่สองรอที่สามอาจจะเรียบร้อย หลงขั้นที่หนึ่งอาจจะจับหยาบหลงขั้นที่สองอ า, าจจะไม่หยาบเท่าไหร่ถ้าหลงก็ยิงรู้มากรู่มากในความหลงชำนานในความไม่หลงในความหลงชำนานในความไม่ทุกในความทุกชำทานในปัญหาได้ปัญญาและก็เป็นความชำนานเรียก ว, ว่ายานยาน ยานแบบอย่างยานอย่างรู้ยานเราต้องขนส่งต้องหลุดพ้นจึงจะถูกต้องความรู้เหมือนกันเหมือนกับจุดหมายถึงปลายทางยานเป็นการขนไปยานอย่างรู้ยังไม่ค่อยจะได้ประโยชน์ตู้อะไรถ้าไม่หลุดพน้นที่สุดคือความหลุดพน้น ไม่ใช่รู้เฉยเรู้แล้วหลุดพ้นยานเกิดขึ้นแล้วจะเรล่าปัญญาเกิดขึ้นแล้วจะเล่ า, าไม่ใช่ยานแต่เดีวพเจ้าตัดเรื่องยานปัญญาแสงสว่างนิพพานมันจึงเป็นก็ดยานเฉยๆจะ ก, กูวิญญาณมันก็มีวันเย็มันก็มียานอยู่ กานวิญญาณจะโหมก็มีวิญญาณคิวหาวิญญาณลื่นก็มีวิญญาณกาวิญญาณกายก็มีวิญญาณโมโหวิญญาณจิตใจก็มีวิญญาณวิยาณอย่างนี้ไม่ใช่ยานที่จะขนสง่งยาณอันนี้เป็นยาณที่เป็นรู้เลยได้อยากจะขูวิญญาณ สองพ่อก็ไม่มีจกกักรวิญญาณก็ไม่มีโสตวิญญาณแล้วหูวก็ดับแล้วไม่ได้ยินด้วยปจะคา <c oughs> นะวิญญาณไม่ค่อยเจอได้กินอะไรแต่นมัน <c oughs> หมดไปแล้วญญวิญญาณอันนี้อ๋อหนวิญญาณที่จะใช้ได้อยู่ ไม่มีวิญญาณไม่มีรู้อะไรได้เน่ยอันนี้ใช้ได้อยู่กายวิญญาณยังใช้ได้อยู่รู้จกักร้อนยุ่ยกับหนาวรู้จักเก็บรู้จักปวดยานที่เป็นขนส่งยานถือวิมุตต์นนะจะโข ก, ก, ก, ก, ก เ, ก, ก, เ ก, ก, ก, กิดขึแล้วเจอเรายานเกิดขึแล้วเจอเราปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยอยจะกขกกรดวงตาเห็นธรรมเห็นเห็นที่สตินี่แหละ แน่นอนนี่คือทุกแน่นอนรู้แล้วไม่เห็นว่าเป็นอื่นได้จะให้ทุกเป็นสุข เ, เป็นไปไม่ได้นี่คือทุกเห็นแน่นอนทําให้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ ว, ลวทุกสมุทัยเหตุที่เกิดทุกละได้แล้วละแล้วละได้แล้วแน่นอนในรูหดแย่งจริงๆไม่มีคําถามแบมันต่าง อวันนี้โลกคือแจ้งในความทุกข์ไม่เคยความสุขจะไม่หลงแน่นอนตรงนี้เอาที่ว่าความทุกข์ไม่หลงเด็ดขาดเก็บตกให้ได้ไม่เป็นเศษไม่อยู่ข้างหน้ากระบาดทุกเนี่ยนิดเดียวก็มาให้อยู่ข้างหน้าเด็ดขาดลู่แจ้งจริงๆมีเท่านี้ใน ชนะตัวเองก็จะคือชนะแบบนี้ถ้าชนะตัวเองได้แล้วก็ชนะกิเลสตัณหาได้แต่เพืตัวเองกับเพืทั้งหมดเนาะเราจึงหัดชนะตัวเองมีความหลงรู้จากตัวขึ้นมา <c oughs> <c oughs> มันเป็นโกบเป็นกรรมปฏิบัติทำเอาไม่นใจอุ่นใจ เวลาเราเล่าจิตติฉันเศร้าฉันเป็นเหตุมันั่งอยู่บนประติยกมือสร้างจังว่าเดินจงกรมมันใจอยากให้มันเกิดขึ้นมามากๆมันคิดถึงลูกลูกสุดตัวคิดถึงเมียรูกสุดตัวคิดถึงอะไรต่างๆคิดถึงคนรักคนชังผู้สึกตัวงานของหล่อนพาจริงๆเนี่ยพาจริงๆ มันมีกิเลสตัณหาลู่จักตัวนะพี่เจ้าขี้ลงไปเลยทางไม่ควรข้องแบกามมาฉั น, นายาโยโกกามทั้งหลายกิเลสกามมีอยู่กามกามวัตันหะภวะตัณหาวิภะวะตัณหา ตามตระหนักตระหนากามทั้งหลายภาวะตระหนักพบทั้งหลายที่เกิดจากกรรมเปิดพบเปิดชอบแต่กรรมเป็นเปรดก็มีเป็นสัว์นรกก็มีเป็นอะไรก็มีหิวกรมทั้งหละไม่เป็นไรมันเป็นอาศัยมีรดมีนอนที่นีถ้าไม่เชิดติดมีความเพลินมันต้องเห็นทุกคน ถ้ามีสติเนะี่ยเมื่อถ้าไม่มีสติจะไปคิดอ๋อเหตุคะัรคนมีปัญญาใช่ไม่ได้หรอกจบปริญญามาก็ใช่ไม่ได้ถ้ามีสติวิภาพภะตรหนะปัญเหติปาา่าชัดพกไม่มีตัวไม่ตนอาจึงปฏิเสธอยากเสพกามคมขืน อย่าได้ซาป้นกี้มีอะพิภาวะตัณหาลายกาดจิบหายอยู่ในใครก็เจ็บหายคนนั้นมีลูกก็ไม่รับผิดชอบลูกมีเมียก็ไม่รับผิดชอบเมียเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนหล่ยใจวิภาวะตัณหาไ ม, ไม่ไม่รับผิดชอบปฏิเสธเัืงมีตัวนี้ตนไม่เป็นพ่อใครไม่เป็นเมียใคร เป็นวิปปวตนาทั้งก็ตั้งช่อดสมสอนสสเพณีทงังจิตเอาทุกอย่างมีวิปปวตนามาใช่มาใช่ผูมม้มีพ่อมีแม่เป็นทำหน้าที่เป็นผัวเป็นเมียไม่เป็นลาย <c oughs> ไม่ลายแต่วิปปวตนาเนี่ยลายกาดบ้านเมืองเอลือดร้อนพลเรืองนี่กัน ไม่ปวดภยัยตื่ก็ถูกข่มขืนดับหมาแล้วเราก็เดือดร้อนเพราะนั้นไงเอาขึ้นเฉียงเลยซะ <c oughs> ขึ้นเฉียงบูชายันเลยที่แรกเลยอัฏฐะจัมมัฏฐโยกขขึ้นเฉียงไปเลยตึ้งเชี่ยว ทรมานตัวเองในเรื่องที่ไม่ถูกต้องกดข้าวอ่อนนะไม่นอนนอนเที่ยนอนหน่ำแค่นุ่งห่มผ้าโอ้ยเาการใช้นัในเป็นพระอลหันต์มันไม่ใช่เพราระรันต์มันคือกินเลยคือมันอยู่ในใจไม่ใช่ไปรูปแบบแค่นุ่งผ้าสีใดก็ได้กินข้าวก็ได้นอนก็ได้อาบน้ําก็ได้ ไม่ใช่ไปนไม่ต้องไปแช่ผ้าไม่มีประโยชน์อดเข้าง้างก็มีประโยชน์อยู่นใน้อิม่มนอนให้มันหลับละกิเลสกิเลสมันไปอยู่กับคนนุ่งผ้ามาดยู่กคนเวืกายมาอยู่กับคิดใจอยู่กับความคิดอยู่กับอารมณ์อยู่กับคนขาดสติ พรอันเนี่ยคือคนที่มีสติบรุชนคือคนขาดสติมีสติเป็นนลกมีสติเป็นนลกไม่เผอเป็นธรรมวินยัยทัขี้นสุกผู้มีสติเนี่ยจับได้เลยเริ่มต้นสติเข้าไปเลยเลยไม่ต้องมาอ า, รากรเจว่ยวานุ่มม่สติ นองผาสีใดก็ได้แต่ว่าน่าปวดสะดวกกัวยาโยมและยาโยมไม่มี็ผ า, าของเราอยู่ไม่ต้องปวดอย่างนี้ก็ได้เพื่อกับผู้เท่าเราชวนแม่ชีไปดูวัดภูโคทองมีป่าภายัยมีสะน้ำมรกตสองสะมีกติ ห้าหลังมีศาลาหนึ่งหลังมีห้องน้ำห้าห้องจะยกให้ผู้หญิง <c oughs> ให้เหมือนกับพระที่มีวัดสุโกโตมีวัดผูหลงมีวัดผู้โทองแม่ชีก็อยากให้มีอย่างนี้ที่นั่นหลวงพ่อชื่อเอง เองตรงนั้นะซื้อเองไม่ไ ม, ไม่ไม่ใครมาว่าได้ยกให้เท่นะานั้นยกอยากจะเสนสนับสนุนพวกผู้หญิงได้จะไปอยู่เท่นั้นก็ขั้นรั่วให้เลยขั้นรั่วให้เลยเอาไหมไ้่คิดหน่ยอยนะมาไปอยู่แม่จะเอาไปก็ดีเร า, าพูดว่าอาลุงพ่อ ก, กับลุงพ่อกลม จะมีอายุคนละรอยี่สิบปีจะไม่ตายจะดูแลญาติโยมผู้เท่านั้นตายหมดก่อนเราไม่ตายทีหลังเขาเฮน่าจะดูนะน่าจะเอานะไปอยู่เที่นั้นไปอยู่เที่ย น, นมากไปเที่ยนนี้มากไปนั่งก็ไปบ้านเจ้าของมานี่ก็บ้านเจ้าของอิจฉะไม่ต้องมาห่วองไหไปก็ไปไปุ๊บขับรถไปจอดเที่ยนเลยไปเที่ยนเล ไม่มีข้าวจริงเอาข้าวไปจากสุโกโตนี่ไปเอาข้าวไ ป, ก, วไป ก, กินเอากลับไปกมาทำจิตเองเอ่ที่แท้ก็ได้อา่าที่นั่นก็นมีชุมชนใหญ่ไม่ได้ทำครัวดอกก็จะอาศัยชาวบ้านถ้าเราถ้าไปอยู่หลวงพ่อจะบอกชาวบ้านจัดภาชนะให้ตอนเช้าตอนเพลินจเนื้อนั่นเนี่ย นี่เป็นที่ที่หลวงพ่อมีอิจฉะแต่ว่าไม่ไม่ได่าโอนะเมื่อใดว่ า, นะวาของขอหลวงพ่อนะถ้าจะทจาําอย่างนี้มีสิทธิทําได้เพราะที่ตรงนั้นซื้อเองซื่อมาสามสิบปีแล้วยี่สิบล้านซื้อหนังเฉินบาทเพ้า ว, ว่าเอาได้เงินผีบา้าฉันไหนก่อน <c oughs> เดี๋ยวนี้ละไรละสี่ห้าหมื่นห้าแสนล้ ว, ไ, ลลว 4, 50, 50, ได้ แต่ก่อนก็ว่าก็ได้เงินถี่ว่าไล่ละ 4,000 บาทอะไรก่อนน่าจะเอานะใ ห, ให้ไม่ชีอูดเป็นประธานให้ไม่ชีถิเป็นรองประธานประยุทธ์เช่นเลือดไยาการให้เป็นหลักเปนแหลงนะอย่างนี้ก็มีอย่างนี้ก็มีอยากขึ้นป้ายด้วยนะเห็น <c oughs> อยากสนับสนุนผู้หญิงเห็นคุณข่าผู้หญิงถ้าเจงเขาได้เลือดได้นเนื้อจากผู้หญิงตั้งเป็นชมรมแม่ชีคุณธรรมขึ้นมาชมลมแม่ชีคุณธรรมวัดป่าสุโขโ ต, โตชมลมแม่ชีคุณธรรมวัดภูเขาทองสักสองแห่งเอาไหมเดี yeah. <c oughs> เอาสมควกเจอเละกับแฟนผมกัน